50 languages. t h รี t y e i g h t Forty. In a taxi. Taxi me. Help call ่ taxi, ้ l e a s e Taxi Cabula. To the station. How much is the f a r ะ สถานีตักกค่าคิยยาคเท่าไหร่ฮะปสนามบินราคาเท่าไหร่คะเอตกค่ารยาเท่าไหร่ะรุณาตรงไปค่ะซลยรุณาช่วยเลี้ยวขวาตรงนี้ค่ะอาดายมุรุณาช่วยเลี้ยวซ้ายตรงหัวมุมค่ะ वहां कोने प น ब ा ई ป तरफ บ้านฟดิฉันรีบมุ่งชีจลตีเฮดิฉันมีเวลาเมเร่พ้าส์ฟักท์เฮดิันม่้ากลราัด้าสดมีเวลราดิรสทีา่ดนีร่ที่นีร่กดี่ กรุณารอสักครู่นะคะทุीทีเดินรอที่ जिए เดี๋ยวดิฉันกลับมาค่ะ मैं अभ ก व ा प स ั त ा हू าขอใบเสร็จให้ดิฉันด้วยนะคะมุ่งจะเอกราศีดีจี้ดิฉันไม่มีเงินทอน मेरे पास खुले पैसे नहीं है ไม่เป็นไรที่เหลือนี้ให้คุณค่ะที่แข่บาคิยาบรเค่ขับไปส่งดิฉันตามที่อยู่นี้ค่ะมุจเเจอิสพตเเจเป็พหัขับไปส่งที่โรงแรมของดิฉันด้วยค่ะมุจเเจอเมเร่โฮเทลเม่พหัจเจดขับไปส่งดิฉันที่ชายหาดค่ะ मुझे समंदर के किनारे पहुंचा दें।